บัตนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของมาน์ึึงแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณธรรมความดีและทำให้เสียคนตลอดตั้งเป็นผู้ฆ่าที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นได้แก่กิเลสมารมานคือกิเลส เจคันธมานมานคือเบนเจคั น, นแต่แกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งสรุปรวมเป็นชีวิตแต่และชีวิตและอภิสังขารมานมานคืออภิสังขารคําว่าอภิสังขานั้นหมายถึงสิ่งที่ปรุงแต่งจิตและทําจิตให้มีการแปรผันไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้น มีทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลท่านจำแนกออกไว้เป็นสามระดับคืออปุญญาภิสังขารอภิสังขารคือปากได้แก่อกุศลและเจตนาที่บุคคลจงใจคิดจงใจทาจงใจพูดปรากฏอาการแก่จิตเป็นความเร่าร้อนแผดเผา มีความทุกข์เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นแก่ตนเองก่อนแล้วต่อมาก็อาจจะเกิดขึ้นแก่คนอื่นผลช่วงสุดท้ายก็คือเป็นความทุกข์เพราะนั้คำว่าบาปที่จริงก็คือเกิดขึ้นจากอากุศลใเจตนาพูดง่ายว่าเกิดขึ้นจากสังขารที่เป็นบาปหรือสังขารที่เป็นอกุศล เคยขึ้นภายในจิตบุคคลก่อนแล้วปรุงแต่งจิตออกไปตามอาการของตนซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปลักษณะอาการของกิเลสเหล่านั้นกิเลสสายโลภะหรือสายราคะมีอาการไขวยควา้าปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็น ในสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจเมื่อได้แล้วเป็นแล้วมีแล้วก็จะมีการคุ้มครองอารักขาป้องกันหวงแขนยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นและพระสิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นก็จะดีใจปรสิ่ง์เหล่านั้นลดลงก็จะเกิดความเสียใจนั่นคืออาการทางจิตโดยมากต่จุดของความคิดเหล่านี้เอง ในช่วงของการแสวงหาบางครั้งเราควบคุมความอยากไว้ไม่ได้ก็มีการแสวงหาในทางที่ไม่ชอบทำก็กลายเป็นบาปแต่บางครั้งบางคราวก็เพ่งเรียกว่าเพ่งเล็งอยากได้เราความว่าด้วยมองดูด้วยตาหรือฟังด้วยหูหรือสูดดมด้วยจมกูกหรือลิ้มด้วยดินหรือจับต้องด้วยกายก็ตามแต่ว่าสิ่งของเหล่านั้นเป็นของคนอื่น พอเกิดเพ่งเล็งโลภอยากได้แต่ว่าสู่สิ่งของเหล่านั้นก็เป็นอาการทางจิตคือตามจิตใจขุดหมัวเศรามองไปในขณะนั้นก็เป็นบาปอีกระดับหนึ่งซึ่งหย่อนลงมาแต่บางครั้งมันมีลักษณะเป็นตะกรอนใจเป็นอาการของใจต่อมาก็เกิดขึ้นรุ่มรุมใจที่เราเรียกว่าการมฉันท์ซึ่งเป็นอาการของนิบอท ก็กลายเป็นความคิดที่เป็นบาปสแสดงว่ากิเลสทั้งสามประเภทนี้ก็แบ่งเป็นหยาบกลางละเอียดในส่วนที่หยาบก็จจะประกอบอัจฉิกรรมในลักษณะต่างๆ่างเป็นการผิดศีลห้าในส่วนกลางก็เกิดขึ้นรุ่มรุ่มใจไม่ไปสร้างปัญหาแก่ใครแต่สร้างปัญหาแก่ตัวเองในส่วนที่ละเอียดนั้น ตามปกติถ้าไม่มีสิ่งที่มากระตุน้นมาจากข้างนอกหรือไม่เหนียวนึกเอาในขณะนั้นอาการของกิเลสเหล่านั้นก็ไม่เกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าไ ม, ม่มีเพียงแต่ว่าขาดตัวกระตุ้นให้กิเลสเกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดกิเลสประเภทโทสะกิเลสประเภทโลภะนี่เองที่พระเจ้าทรงอุปมาเห็น ในเชิงที่เป็นรูปธรรมว่าเหมือนกับคนตกเป็นหนี้เป็นสินบุคคลอื่นคือจะต้องตามชดใช้ให้แก่เจ้านี้อยู่ร่ำไปยิตเกิดความอยากในวัตถุในอารมณ์ในสิ่งของในหน้าที่การงานเป็นต้นก็จะมีลักษณะเช่นนั้นบุคคลจะเพียรพยายามเพื่อตอบสนองความต้องการของตนอยู่ร่ำไป ถ้าคุมกิเลสไว้ได้ก็คงจะไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่แต่ถ้าคุไมไว้ไม่ได้ในที่สุดก็อาจจะทําลายฝ่ายที่ถือครองสิ่งเหล่านั้นจุดเช่นทําลายเจ้าของตําแหน่งเหล่านั้นทําลายเจ้าของทรัพย์เหล่านั้นทําลายกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเพื่อตัวเองจะได้ครอบครองเสียเองถึงเป็นรูปแบบของการต่อสู้ที่มีอยู่ในสังคมโลกทุกยุคทุกสมัยและอาจจะมีทุกวันเลยทําไป เพียงแต่ว่าเกิดขึ้นในส่วนใดของโลกเท่านั้นเองการพยายามตอบสนองความต้องการอันสืบเนื่องมาจากกิเลสประเภทนี้เองที่ก่อให้เกิดการกระทำาบาปในลักษณะต่างๆกิเลสประเภทโทสะมีการที่ตรงกันข้าม ก, กับกิเลสประเภทโลภะ ที่เราพูดว่าความยินร้ายซึ่งก็คงจะค่อนไปทางภาษาบาลีคือภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะใช้กันเท่าไหร่อาจจะใช้คำว่าไม่ชอบหรือความว่าชังหรือคาว่าเกลียดแต่เราต้องคาว่าโกรธเป็นต้นจะรู้สึกปฏิเสธสิ่งที่ตนไม่ชอบคือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ตนไม่ชอบ สำวาผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าก็เป็นอาการของวิภวะตัณหาคือความรู้สึกในทำนองปฏิเสธสิ่งใดที่ตนได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วเราเกิดไม่พอใจไม่ยินดีในสิ่งนั้นต้องการจะให้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอาการของจิตที่จริงแล้วปฏิเสธสิ่งหนึ่งต่คอยคว้าอีกสิ่งหนึ่ง หมความไม่ชอบกินสิ่งนี้แสดงว่าชอบกินสิ่งอื่นไม่ชอบเป็นอย่างนี้แสดงว่าชอบเป็นอย่างองื่นไม่ต้องการได้สิ่งนี้ก็แสดงว่าต้องการได้อย่างองื่นหมายความจะยินดีในสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นแต่ก็คอยคว้าสิ่งที่ยังไม่ปรากฏจึงสามารถตรวจสอบดูจิตของตัวเองได้ในขณะนั้นอาจจะมองดูจากการรับประทานอาหารไม่ชอบ อาหารภาชนะนี้อาหารในจานนี้อาหารที่ชื่อนี้แต่ในขณะเดียวกันตาก็สายไปหารจานอื่นแล้วก็จะสายไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิดชอบพอชอบแล้วก็จะยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นจะเพลิดเพลินยินดีอยู่ในสิ่งเหลนั้น พนาการทางจิตเหล่านี้จึงสามารถสามารถดูตัวเองได้ในอารมณ์ต่างๆือไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเจริญกรรมฐานเสมอไปแม้เกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับอารมณ์เรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารการแต่งตัวเป็นต้นคือเราจะมีความรู้สึกยินดียินได้ถ้าพอยินได้ก็ปฏิเสธไปเรื่อย บางครั้งไปหาชุดแต่งตัวเพื่อให้เหมาะสมแก่ ง, งานต่างความพอใจของตัวเองก็อาจจะยืนเลือกเครื่องแต่งตัวอยู่ได้เป็นชุดจุหมวกแการดูแลปฏิเสธดูแลปฏิเสธดูแลปฏิเสธก็เป็นอาการของโทสะอาการของวิภวะตัณหาแต่บางชุดชุดใดชุดหนึ่งที่ดูแล้วก็เกิดพอใจยินดีก็เป็นอาการของโลภะ เรื่องการเหล่านี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุการณ์ตามอารมณ์ตามสังคมตามขณะนั้นๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องาะสิ่งใดก็ตามที่ตนไม่พอใจไม่ชอบใจและต้องการและพิราตไปเมื่อก็พินาตไปได้ก็จะมีความชื่นชมยินดีกิเลสประเภทโมหะเป็นกิเลสประเภทไม่ค่อยรู้อะไร เพรจะอุ้มจะเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้สราบใดที่โมหะยังไม่จางไปยังไม่คลายไปก็จะอุ้มสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ถ้าดูตัวอย่างอาการที่ต่อเนื่องของกิเลสทั้งสามกองที่เกิดขึ้นในอารมณ์อันเดียวกันแต่ว่าคนละขณะกันยกตัวอย่างเช่นก็ส่งของอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่เราอาจจะเป็นของกินก็ได้ ในครั้งแรกนั้นจะสงสัยจะเครือแครงจะสงสัยว่าเป็นของอะไรกินได้หรือกินไม่ได้คนที่ส่งให้อาจจะอธิบายเราเองอาจจะพิสูจน์ทดสอบรอูแต่เมื่อชิมดูแล้วจะเกิดอาการขึ้นมาสองอย่างถ้าเกิดพอใจกับหมายความกิเลสสายโลภะ ก, ก็เพิ่มขึ้นก็จะกินสิ่งนั้นอย่างอียอร่อยแต่ถ้าเกิดไม่พอใจก็จะวางหรือว่าทิ้งสิ่งนั้นไป ก็เป็นอาการของโทสะเพราะันจะเห็นได้ว่าจิตใจของเราก็แบ่งระหว่างโลภะกับโทสะอยู่ในแต่ละวันกิเลสกิเลสประเภทโมห oh ะจึงเกิดขึ้นในชีวิตของคนดูที่คอ้เกิดความเครือบแครงสงสัยบ้างความพุ้งสร้างบ้างเพราะันเวลาพระเจ้าทรงอุปมาจึงอุปมากิเลสประเภทโทสะเหมือนกับโรคภัยที่เกิดขึ้น ในร่างกายของตอนเองกิเลสประเภทโมหะนั้นเหมือนก็อยู่ในทางวิบากมีฝากน้ํามีหลุมบ่อมีอันตรายอยู่เป็นนั้นมากซึ่งแต่ละอย่างก็ส่งสอนให้มองเห็นโทษด้วยกันทั้งนั้นเพราะคำว่าบาปนั้นเกิดขึ้นจากกิเลสเหล่า น, นี้ที่คิดแล้ะทำแล้วพูดปังคิดเฉยเฉยปัง แต่อย่างก็เป็นบาปชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดซึ่งความเป็นมานของบาปนั้นเห็นได้ชัดเจนมันจะมีการแผดเผาก่อให้เกิดความเร้ร้อนถูกสบประมาทดูหมิน่นถูกจับกุมคุมขังถูกลงโทษจนถึงกรติดคุกติดตารางเสื่อมเสียชื่อเสียงดึงญาติวงภองสาก็มาประสบความเดือดร้อนด้วย ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากบาปทั้งนั้นบาปจึงมีความทุกข์เป็นผลทั้งในขณะที่ทำหลังจากทำไปแล้วแต่บาปนั้นจะมีลักษณะติดใจคือติดอยู่ภายในใจของบุคคลพพุทธเจ้าทรงชช้คำว่ามีวิปฏิสานใจคือเดือดร้อนใจสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง จะไปในที่ไหนจะจ ะ, จะทําอะไรจะอยู่กับใครหรือเข้าไปในสมาคมใดก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นมีความหวาดผิตกกังวลํานองคล้ายๆกับคนที่มีคมดีติดตัวเมื่อเจอตํำรวจหรือเจอกับคนที่แต่งตัวคล้ายตารวจหรือเจอคนที่รู้การกระทำํำของตัวเองจะเกิดความวิปฏิสานเดือดร้อนใจ แม้แต่ใครเขามองมาที่ตนพร้อมๆกันต่อสัมคนก็เกิดไม่สบายใจแล้วนั่นคือผลของบาป ท, ที่เป็นการกระทรํารุนแรงคือปรากฏเป็นการทําลายล้างแล้วก็มีสกีพยานรับรู้การกระทําเหล่านั้นบาโลนั้นก็แผดเผาจิตใจของบุคคล น, นั้นเพราะจึงเป็นมารที่เด่นชัดแต่มารทุกขั้นตอนของการดํารงชีวิต เพราะการสะสมบาปวัยนั้นจะนำความทุกข์มาให้แม้คนบางคนจะปฏิเสธเรื่องบาปเรื่องบุญก็ตามแต่ถ้าเขายังมีความสานึกรู้ผิดชอบช่วดีจุกก็จะเป็นคนมีความละอายต่อบาปสะดุ้งกลัวต่อบาป ส่วนคนที่ไม่รู้ปรับบุญคุณโทษนั้นแสดงถึงอาการของโมหะมัดภาคจะรู้อะไรมันก็สายไปแล้วอาการของโมหะท่านจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์สัตดิรฉานโหนคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจมันก็สัตดิรฉานโดยเฉพาะสัตว์ดิรฉานนั้นแก่กว่าจะรู้แก่ก็สายไปแล้ว แช่กระโจนลงไปในกองไฟกระโจนลงไปในที่ต่างๆในกระแสน้ําเป็นต้นหรือดูง่ายๆที่ชัดมากก็คือแมลงเม่าที่บินข้าวกองไฟแล้วเป็นอาการของโมคะโลภะที่มีอาการของโมหะอยู่มากแต่กว่าจะรู้อะไรเป็นอะไรมาก็ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมีคนเป็นจํานวนมากที่กระทําบาปด้วยอํานาจของโมคะ แล้เมื่อทําไปแล้วมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วบาปนั้นก็จะตามแผดเผาทั้งในขณะนั้นๆและขณะต่อไปทั้งในชาติดีแล้วก็ในชาติหน้าคราวนี้เพื่สังเกตว่าที่พระเจ้าทรงแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ต่างหลายผู้บําเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้และในโลกอื่นนั้นบาปมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมีกรรมมะ เป็นกรรมปฏิสนโนคือมีกรรมเป็นที่พํานักอาศัยสตร์ใดที่บาปยังมีอยู่ผลของบาปยังมีอยู่บุคคลก็จะต้องประสบความเดือดร้อนด้วยบาปตอนนั้นมันเหมือนกันอะไรมันเหมือนกรารเรียนหนังสือแล้วเกิดช่วงหนึ่งตอนหนึ่งหรือบทหนึ่งหรือกรณีหนึ่งเราไม่เข้าใจ แล้วพอเจอเรื่องเหล่านั้นเข้าจะต้องทำเรื่องเหล่านั้นจะคิดเรื่องเหล่านั้นจะตอบจะโต้อตอบเรื่องเหล่านั้นจะทำไม่ได้จะสูญเสียความมั่นใจจะวิตกกังวลเพราะอะไรเพราะปัญหานั้นมัอยู่ภายในใจบาปเองก็มีลักษณะอย่างนั้นประการที่สองคือบุญคำว่าบุญที่จริงไม่น่าจะเป็นมานเพราะไรเพราะบุญนั้นนาความสุขมาให้ แต่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพงสังเกตว่าพระเจ้าทรงใช้คำว่าบุญเฉพาะช่วงที่ยังหมุนบนอยู่ในสังสารวัฏเท่านั้นเองคือพูดง่ายว่าใช้บุญระดับโลกียธรรมพระตั้งแต่พระโสะดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ใช้คำว่าบุญแต่ใช้คำว่ากุศลเพราะบุญจึงเป็นมานเป็นผู้ล้างผลาญเป็นผู้ขัดขวาง ในกรณีที่บุคคลจะบาเพ็ญเพียรระดับสูงขึ้นไปคนบางคนนั้นจะพอใจติดใจในพบในภูมิระดับใดระดับเนี่ยแต่พอใจติดใจยิน ด, ดีในพบภูมิที่ตนกำลังสัมผัสอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองอยู่ตรงนั้นเองคือไม่สามารถจะก้าวหน้าไปได้ แม้บุคคลบางคนเป็นคนสำคัญในพุทธศาสนาท่านหนึ่งเช่นพระเจ้าพิมพิสารคือโดยสถานะที่เป็นประสดาบานั้นสามารถที่จะบังเกิดได้ในสวรรค์ชั้นทั้งหกชั้นแต่ปรากฏว่าท่านตายไปแล้วท่านไปเกิดแค่เป็นบริวารของท้าวคุเวณนในชั้นจะถตุมาราศานั้นเองชื่อชนะวสภายาคเพราะอะไรเพราะใจพอใจติดใจยินดีในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นตัวถ่วง ให้บุคคลไม่สามารถจะได้รับผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นเพราะนั้นคำว่าบุญที่เป็นมารจึงมีลักษณะคล้ายๆกับชั้นเรียนแต่และชั้นในช่วงเริ่มเรียนในต้นปีการศึกษาเราก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่จะต้องศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจจนกว่าจะสอบได้แต่พอสอบได้แล้วถ้าเรายังพอใจติดใจ ที่จะเรียนอยู่ในชั้นนั้นชั้นนั้นเองมากลายเป็นมารที่ขัดขวางไม่ให้เราเรียนในชั้นสูงขึ้นไปเพราะชีวิตของบุคคล น, นั้นมันมีความประณีตขึ้นไปโดยลาดับในช่วงหนึ่งอาจจะดีในช่วงหนึ่งอาจจะไม่ดีหรือแม้แต่ท่านบางครั้งท่านอุปมาเทียบเคียงโดยยานพาหนะเหมือนเราต้องอาศัยยานพาหนะไปรถยนต์บ้างไปรถไฟบ้างไ ป, ไ ป, รไงไปเรือบ้าง เดินโดยเท้าบ้างคือในช่วงที่ต้องใช้รถรถนั้นก็เป็นประโยชน์คือกูลแต่พอถึงริมฝั่งแม่น้ําจะต้องข้ามไปอีกฟากหนึ่งซึ่งจะต้องมาใส่เรือถ้าเรายังพอใจติดใจในรถหรือห่วงใหญ่รถอยู่เราก็ข้ามเรือไม่ได้เพราะงั้นรถในช่วงนั้นมก็กลายเป็นมารที่ขัดขวางไม่เราสามารถข้ามไปอีกฟากหนึ่งได้แต่เรือเองก็มีลักษณะอย่างนั้น ตอนเราลงจากฟากหนึ่งไปสู่ฟากหนึ่งนั้นก็ถือว่าเรือเป็นผู้เกื้อกูลต่อการขําไปสู่อีกฟากหนึ่งถต่เมื่อถึงอีกฝั่งแล้วเราก็พอใจติดใจในเรือสนุกดีไม่ยอมขึ้นจากฝั่งเรือนก็เป็นมาในช่วงนั้นมันก็เป็นมาได้ไปเรื่อยๆ เ, เพราะอะไรเพราะผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจะต้องไม่มีทั้งบุญทั้งบาป เพราะบุญบาปนั้นจะนําคนไปหมุนบ่นอยู่ในสังสารวัฏ ต, ตามกระแสของบุญของบาปอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นว่าระดับระยะ บ, บุคคลท่านเรื่องเรียกว่ากุศลเป็นโลกิยะค ก, กุศลโลกุตร ก, กุศลเพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากโมหะซึ่งจางลงไปมากคลายลงไปบ้านกุศลยิงแปลวันฉลาด ให้บุคคลสามารถจำแนแกแกแยะสิ่งทลายโดยคุณโดยโทษโดยเหตุด้วยผลได้อย่างชัดเจนจะลื้ว่าคำสอนระดับนี้เป็นการคำสอนที่สมบูรณ์แต่สำหรับบุคคลที่ยังไม่ถึงคล้ายๆก็ยังต้องเดินต้องอาศัยเรื อ, ต, อต้องอาศัยรถต้องอาศัยเรือต้องอาศัยรถไฟเนี่ยก็ต้องอาศัยเข้าไปเรื่อยๆบุญก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน รศาตร์ใที่เรายังไม่ถึงฝั่งคือนิพพานเราต้องอาศัยเขาไปเรื่อยๆเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นมารทุกช่วงแต่เป็นมารบางช่วงคือช่วงที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วประยุดติดอยู่ช่วงนี้กลายเป็นมารถาเรียกว่าอาภิสังขารมารจะมีตัวอย่างบุคคลอยู่เป็นนันมากที่เวลา ท่านจะจุติหรพวกเทพที่จะจุติบองค์ก็พอใจติดใจที่จะไปอุบัติในเบื้องสูงขึ้นไปเพราะยังมีบุญบา ร, รมีมากแต่บางองค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์เพื่อสร้างบา ร, รมีเป็นต้นบุญกุศลแม้จะสูงอย่างไงบุญแม้จะสูงอย่างไ ร, ไงงไรก็ตามก็นำไปสู่วัฏจัคือการหมุนวนในตังสารวัฏ แล้วก็เปรียบเทียบในด้านความทุกข์ความสุขกันได้ทารีวถือว่าสุขไม่ปัญหาว่าเทียบกับใครแม้ในหมู่คนเราด้วยกันเราก็เทียบเคียงกันว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราสุขแต่ก็มีคนสุขกว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราทุกข์แต่ก็มีคนทุกขกว่ามันขึ้นอยู่กับจุดที่เราไปเทียบเคียงเพราะนั่นการที่บุคคลกระทัมบุญก็มีลักษณะอย่างนั้น เราจะรู้สึกเราทําบุญได้มากแต่ถ้าเยียบเกียงกับบุคคลบางคนเราอาจจะมีบุญน้อยแต่เทียบกับบุคคลบางคนเราอาจจะบุญมากแต่สรุปแล้วบุญก็คงเป็นโรปัสกขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้มันก็ติดอยู่ในสุขคือบุญนี้เป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติทั้งหลายพระอรหันต์ท่านจึงเรียกว่าบุญยปาปะปิโนคือล้าหมดทั้งบุญทั้งปจึงกลายเป็นผู้ไม่มีทั้งบุญทั้งปะ อันนั้นเป็นจุดสุดยอดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอเนินชาพิสังขารที่จริงมันเป็นผลจากการปฏิบัติเจริญสมถกรรมฐานที่อย่างที่ปฏิบัติกันอยู่นี้แหละอย่างที่เคยกล่าวไว้คือเจอองค์ธรรมกลุ่มนี้อยู่เสมอที่ท่านเรียกว่าระดับสมถกรรมฐานที่เจริญกันนี้ท่านเรียกว่าเป็นวิขัมภนะวิมุตตานั่นเอง คือหมายความว่าจิตจะหลุดพ้นจากอานาจกิเลสเพียงชั่วครั้งชั่วคราวจากเท่าที่ชาดยังมีอยู่คือหมายความว่าจเจริญไปจนชาญไม่เสื่อมกิเลสมันก็สงบไปแต่ไม่ใช่เป็นที่สุดมันยังมีไกลกว่านั้นผลระดับนี้ผลระดับชาระดับรูปฌานระดัรูปชานท่านจึงเรียกว่าอเนนชาโดยเฉพาะ ย, ยิ่งคือตัวรูปชานอเนนชาที่จริงเป็นสภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวแล้ว หมายความมาอยู่ท่ามกลางอารมณ์ท่ามกลางสังคมทั้งหลายถ้าไม่กระแทกแรงมีข้อแม้อย่างคืออยากกระแทกแรงท่านจะสงบจะไม่มีความยินดียินร้ายแต่กระแทกแรงแรงก็พังเหมือนกันอย่างที่เราทราบประวัติเรื่องราวของมารุษีทั้งหลายที่ตบ่าแตกส่วนมากที่จะเป็ น, ปนตบาบ่แตกก็จะแตกอยู่สองเรื่องคือเรื่องเงินกับเรื่องเพศตรงกันครับ คือสรุปว่าแตกเพราะกิเลสประเภทโลภะกิเลสประเภทนี้จะมีลักษณะค่อนข้างแรงคือมีความเสียเนื้อมีความเ ย, ย, ายืดย้ายมีความอะไรมีความผูกพันที่แรงแต่นั้นจึงเป็นการสงบกิเลสเท่านั้นเองเป็นการสยบหรือสงบกิเลสไว้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าทําให้ตัณฑ์บรรลุอรูปฌานเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลก นานแสนนานซึ่งแต่เรามองในแง่รธรรมดาธรรมดามันก็ดีนะแต่ทําไมจึงเป็นมานเพราะขัดขวางไม่ให้คนบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นมารระดับสูงขึ้นไปอีกคล้ายๆกับระดับปริญญาโทก็ติดยึดติดในความปริญญาโทแต่ก็เป็นมานระดับที่จะเรียนปริญญาเอกไม่ใช่เป็นมารระดับล่างๆเป็นมานที่ระดับสูงขึ้นไป ข้นี้ท่านทั้งหลายคงนึกออกที่พระพุทธเจ้ารับสั่งประรบท่านอาลาดาบทอุตกรดาบทอาจารย์ของพระองค์ก่อนที่จะสัสรุหลังจากประทับเสวยวิมุตติสุขเสร็จแล้วต้องการจะปลดคนก็นึกไปถึงอาจารย์ทั้งสองก็เห็นด้วยรู้ด้วยประยานว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นคนหนึ่งก็ตายไปก่อนหน้านั้นหลายวันคนหนึ่งก็เพิ่งตายไปเจ็วันเอง ทรงอุททานคึนว่าอาจารย์ทั้งสองประสบความจิตผายอย่างใหญ่เกิษชวลีช่ายอย่างนั้นเลยคำว่าจิบผายหรือพินาศนั้นที่จริงแล้วเป็นการจิบหายจากมรรคผลที่จริงท่านก็ไปอุบัติบังเกิดเป็นพรหมในพรหมโลกก็อยู่นานแส่นานพระพุทธเจ้าอาจจะมาเกิดอีก2องสามพระองค์ท่านก็ไม่ได้ลมมรรคจีหนึ่งมันเป็นสังสารทุก คือเป็นมาในระดับสังสารวัฏเพราะจะเป็นการทำลายเป็นการผราญโอกาสที่จะมาอุบัติบังเกิดในโลกมนุษย์สร้างสมบมัมีในศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคือมองจากจุดสูงสุดข้อนี้เองจึงเป็นเหตุให้พระโคดิสัตทั้งหลายที่เราได้ศึกษาประวัติของพระโคธิสัตมาพระพุทธเจ้านะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในประชาต่ตาง พ ร, พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะไม่บำเพ็ญบา ร, รมีเพื่อไปเกิดสูงขนาดนั้นเอ่านไม่เอาเพราะว่าเป็นการทำลายโอกาสเป็นการสูญเสียเวลาเป็นช่วงการเสวยผลบุญแต่งานการอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรคือไม่ได้เพิ่มก็มีแต่ลดไปเรื่อยๆ เ, เราจึงไม่ค่อยพบว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพรหมแต่ก็มีบางชาติที่เป็นพรหม เตียนได้ว่าเมื่อมีพระประสงค์จะจุติจุติได้คือบริจะตายไปเกิดใหม่ก็ตายได้เพื่อจะได้มาสร้างสมบุมบรมบารมียังไงก็ตามในฐานะที่เราเป็นสามัญชนบุญกับอนเนญชานั้นยังไงก็เป็นกุศลละธรรมที่พึงประพฤติบปฏิบัติมันเป็นมารอีกระดับไกล แต่ว่าเป็นที่พึ่งพํานักอาศัยในระดับสังสารวัตรจึงทรงอุปมาให้ฟังว่าเป็นยานบ้างเป็นเกาะบ้างแพระกาก็รตกอยู่ในทะเลไวายน้ําแล้วก็หาที่ยึดเตนี่ยวไม่ได้ก็ไปเจอเกาะเข้าวเกาะนั้นก็เป็นที่พึ่งพํานักอาศัยเราได้การต่องเที่ยวในสังสารวัตรจะมีลักษณะอย่างนั้น บุญกับอน en ชาติจึงกลายเป็นที่พึ่งพ น, นักจราเท่าที่เรายัางไม่สิ้นพบชาติเราต้องได้ภพชาติที่ประนีนนบขึ้นได้ภพได้ชาติที่ประนีขึ้นแต่ภพชาตินั้นเป็นผลมาจากบุญหรือบาปแต่ว่าบุญนั้นบาปนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการเรางั้นมองไปที่บุญคือการสะสมบุญการเพิ่มบุญ แต่ก็ไม่ควรติดใจในรูปของวัตถุมากเกินไปยืไม่ควรติดใจในรูปฐานมากเกินไปให้มองไปที่บุญระดับที่เป็นศีลเป็นภาวนาหรือเป็นพวกอภัยทานพวกธรรมทานเพราะปริมาณของบุญนั้นกำหนดด้วยการลดของกิเลสและการเพิ่มของธรรมะการปฏิบัติเช่นไรก็ตามที่สามารถลดกิเลสได้มากเพิ่มธรรมะได้มากการกระทานั้นยิ่งเป็นบุญมาก สตรบใดที่ยังไม่หลุดไม่สามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏบุญจึงกลายเป็นบา ร, รมีธรรมเป็นญานพาณะที่จะนำเราไปสู่มคผลนิพพานสิ่งที่บรนเป็นมารจึงต้องกำจัดจึงกลายเป็นพวกบาปพวกกุศลอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสเทตที่ต้องละจริงๆจริงอยู่ที่กิเลสเมื่อสามารถประพฤติปฏิบัติกระทาได้ก็ชื่อว่าตัดรอนบัณฑริษณ์อานาจของมารลงไปได้ ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นตามสมควรกับกา ร, ป, รปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป